บุกทูยี่สิบสี่การนัดหมายคุณพลาดรถโดยสารหรือเปล่าครั บ, ออบผมรอคุณครึ่งชั่วโมงแล้วครับ Я чакала цябе паўгадзіны คุณมีมือถือติดตัวไม่ใช่หรือครับ у цябе няма มาสซาบุยมาบิลนาเฮิรเฟครั้งหน้าขอให้ตรงเวลานะครับครั้งหน้านั่งแท็กซี่นะครับครั้งหน้าเอาร่มมาด้วยนะครับ พรุ่งนี้ผมหยุดครับพรุ่งนี้เราจะพบกันดีไหมครับสุดสัปดาห์นี้คุณมีอะไรทำหรื อ, อยางครับ у รา б е ไ ж วิวจะยุ่งส์ส์พล ы น์ในนาเ ы ตหรือว่าคุณมีนัดแล้วครับที่ตัววิวจะสกิมส์ต в і ผมเสนอให้เราเจอกันวันสุดสัปดาห์เราไปปิกนิกกันดีไหมครับเราไปชายหาดกันดีไหมครับ давай по ย дем на пляж เราไปเที่ยวภูเขากันดีไหมครับผมจะไปรับคุณที่ทำงานผมจะไปรับคุณที่บ้านผมจะไปรับคุณที่ป้ายรถโดยสาร Я заберу тебя без п р и п ы н к у а в т о б у с а